เมือ่อนาถบินที่กัดเศรษฐีสร้างเชตวนารามเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปทูลอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมานครสาวัตถีขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะกรุงราชเครือพระตถาคตเจ้าเสด็จออกจากนคระะคราชเคฤือไปยังเมืองเวสาลีประทับอยู่ณนะเวสาลีพอสมควรแล้วเสด็จดำเนินมุ่งพระพักสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศล ครั้งนั้นสิทธิ์ของพระฉัพพคีรีรีบเดินทางไปก่อนคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปจองเสนาสะนะกับที่นอนไว้ว่าที่นี้สําหรับอุปชัยยะของพวกเราที่นี้สําหรับอาจารย์ของพวกเราที่นี้สําหรับพวกเราฝ่ายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรไปทีหลังหลังกว่าคณะสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขท่านหาเสนาสะนะที่พักไม่ได้ เพราะเขาจองกันไว้หมดแล้วจึงไปนั่งอยู่นักโคนไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้านักยังราตรีให้ล่วงไปด้วยการนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างเวลาใกล้รุ่งพระาศาสดาเสด็จออกจากที่ประทับทรงกระแอมเบาๆพระสาริบุตรก็กระแอมเบาๆตอบตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นข้าพระองค์สารบุตรพระเจ้าข่า พระศาสดาเสด็จเข้ามาใกล้ตรัสถามอีกว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้พระสารีบุตรกราบทูนว่ามาทีหลังหาที่พักไม่ได้จึงมาพักนักโขนไม้นี้พระสะกักยมุนีทรงทราบเรื่องแล้วทรงสลดพระไถยว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่พิสูจน์ทั้งหลายยังขาดความคารพยำเกรงกันถึงขนาดนี้ต่อไปภายหน้าเมื่อเรานิพพานแล้วจกเป็นอย่างไร เช้าวันนั้นรับสั่งให้ประชุมพระสงฆ์ในเชตวนารามส่งสอบถามเรื่องราวได้ความจริงแล้วทรงติเตียนพวกพิสูช พ, พักคีเป็นอันมากแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นไรควรได้เสนาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศพิกษุทั้งหลายทูลตอบกันไปต่า ง, า ง, างๆเช่นบางพวกว่าภิกษุผู้บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้บางพวกว่า ผู้บวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้บางพวกว่าภิกษุผู้ทรงจำพระสูตรควรได้บางพวกว่าผู้ได้ปฐมฌานควรได้บางพวกว่ า, ผ, า, ว า, ววาผู้เป็นโสดาบันควรได้บางพวกว่าผู้เป็นพระอรหันต์ควรได้พระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเหล่านั้นไม่ควรเอามาถือเป็นประมาณหรือหลักการตัดสิน พิสูจทั้งหลายในศาสนานี้ควรทําความเคารพกันตามลําดับอาวุโสผู้แก่พรรษาควรได้เสนาสนะข้าวน้ําอันเลิศก่อนอันนี้แหละเป็นประมาณเป็นหลักการตัดสินในศาสนานี้ก็บัดนี้สารีบุตรเป็นอัครส า, าวกเป็นผู้หมุนธรรมจักรให้เป็นไปเช่นเดียวกับเราเธอควรได้เสนาสนะเป็นที่สองร้องจากเราแต่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่า สารีบุตรไม่ได้เสนาสนะเลยต้องอาศัยอยู่ที่โขนไม้ดังนี้แล้วทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าแม่สัตว์เดรัจฉานยังรู้จักเคารพกันตามลำดับอาวุโสก็ฉนยเล่าเธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยซึ่งเรากล่าวไว้ดีแล้วจึงไม่เคารพยำเกรงกันเล่าพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตการลุกรับการอภิวาสการทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรม การให้เสนาสนะอันเลิศข้าวน้ำอันเลิศแก่พิสุผู้แกพ่พรรษากว่าก่อนพิสุผู้อ่อนกว่าไม่ควรกีดกันเสนาสนะพิสุผู้แก่กว่าใครกีดกันเป็นอาบัตทุกกฎพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ฉลาดในธรรมเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ยอมได้รับสรรเสริญในปัจจุบันนี้และสำปรายภพของเขาก็เป็นสุขติ ดูเถิดท่านผู้เคารพในธรรมดูจริยาของพระสารีบุตรผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนยกเว้นพระาศาสดามิได้มีอาหางการว่าเราเป็นอครสาวกแต่เป็นผู้สันโดษและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นเนืองิดดังได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่หนนหลังในการรับเสนาสะนะของอนาถบินทิกะเศรษฐีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาว่าที่อยู่อาศัยจอมป้องกันหนาวร้อน สัตว์ร้ายเช่นงูยุงและป้องกันฝนในฤดูฝนนอกจากนี้ยังป้องกันลมแดดได้อีกด้วยการถวายวิหารทานแก่สงเพื่อให้ท่านได้รีกเก้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อการเพ่งพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายสันเสริญว่าเป็นทานอันเลิศด้วยเหตุนี้ผู้ฉลาดเล็งเห็นประโยชน์อยู่พึงสร้างที่อยู่อันรื่นรมเพื่อภิกษุผู้เป็นพหูสูตร ัได้อยู่อาศัยอันหนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเครื่องใช้อื่นอื่นอันสมควรแก่สมณะบริโภคแก่ภิกษุผู้มีความซื่อตรงพวกเธอได้รับอุปการะอย่างนี้แล้วย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ทั่วถึงธรรมนั้นแล้วจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานนอกจากอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพระสารีบุตร ยังเป็นผู้มีความอดทนและให้อภัยแก่ผู้ปทุษร้ายดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับณเชตวันวิหารพวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งได้พากันกล่าวสรรเสริญคุณของสารีบุตรเถระว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้มีคุณน่าอาัศจรรย์ ประกอบด้วยกำลังคือความอดทนเมื่อใครๆด่าก็ตามพระหานท่านก็ตามความโกรธหาเกิดขึ้นแก่ท่านไม่คราวนั้นมีพรหมิจฉาทิฐิคนหนึ่งกล่าวแย้งว่าที่ว่าพระสารีบุตรไม่โกรธนั้นเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยั่วให้โกรธกำนังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพรามมหาชนปฏิเสธถ้าอย่างนั้นกัปเจ้าใครจะทดลองดูพรามว่า ถ้าท่านปรารถนาก็จงทดลองดูเถิดมหาชนท้าพรามนั้นมีความประสงค์จะทดลองคุณของพระเถระเช้าวันหนึ่งเห็นพระเถระสารีบุรเดินเข้าไปรับภิกษาในละแวกบ้านจึงเดินตามไปข้างหลังเมื่อได้โอกาสก็ตีกลางหลังของท่านด้วยฝ่ามืออย่างแรงพระอัครสาวกไม่ได้เลี้ยวดูเลยคงเดินไปเรื่อยๆด้วยอาการสงบเมื่อเป็นดังนั้น พรามก็เกิดร้อนตัวขึ้นอย่างแรงคิดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ด้วยคุณคือขันติยังที่คนทั้งหลายเล่าลือจริงเขาหมอบลงที่แทบเท้าของพระเถระเรียนว่าขอท่านจงกรุณาอภัยโทษให้กระผมด้วยเถิดอะไรกันพรามพระเถระถามกระผมประหารท่านด้วยต้องการจะทดลองช่างเถิดพรามอาตมาอภัยให้ท่านแล้ว ท่านอภัยโทษให้กระผมแล้วก็ขอได้โปรดไปรับอาหารที่เรือนของกระผมเถิดขอได้โปรดทรงบาดมาเถิดพระสารีบุตรทรงบาดให้พราหม์พาท่านไปยังเรือนของตนอังคาดด้วยอาหารอันประณีตการที่พราหมณ์ลอบประหารพระสารีบุตรนั้นหาได้พ้นสายตาของมหาชนบางกลุ่มไปไม่พวกเขากลードแค้นว่าพราหมณ์นั้นประหารพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้หาโทษมิได้ เราควรจะต้องฆ่าพรามนั้นเสียพวกเขาถือท่อนไม้และก้นดินยืนซุ่มอยู่ที่บริเวณประตูบ้านของพรามเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระมอบบาทไว้ในมือของพรามแล้วเดินลงมาพรามถือบาทตามพวกมนุษย์เห็นดังนั้นจึงเข้าไปเรียนท่านว่าขอท่านรับบาทแล้วให้พรามกลับเสียเถิดอะไรกันนี่อุบาสกพระสารีบุตรถามพรามนี่มันประหารท่าน พวกกระผมจกทําสิ่งที่มันควรได้รับตอบแทนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระสารีบุตรจึงว่าพวกท่านถูกประหารหรืออาตมาถูกประหารเล่าอุบาสกท่านเองถูกประหารพรามนี่ประหารมาแล้วแต่เขาขออภัยโทษแล้วเรื่องแล้วไปแล้วพวกท่านทั้งหลายกลับกันไปเสียเถิดท่านให้มหาชนกลับและให้พรามกลับไปยังเรือนของตนท่านเองไปยังเชตวันวิหาร พิสุทั้งหลายกล่าวยกโทษว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วยังไปนั่งฉันอาหารที่เรือนเขาอีกเมื่อเขาประหารพระเถระเช่นพระสารีบุตรได้ต่อไปก็จะเที่ยวประหารภิสูจอื่นๆโดยไม่มีความระอายและความเกรงกลัวพระศาสดาสเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสุสนทนากันแล้วตรัสว่าพราหมณ์ประหารพราหมณ์นั้นไม่มีแต่พราหมคลือหัด อาจประหารสมณะได้อันหนึ่งความโกรธย่อมถูกทำลายไปด้วยอนาคาเมมัคดังนี้แล้วตรับต่อไปว่าพรามไม่ควรประหารพรามไม่ควรจองเวนพรามหน้าติเตียนพรามผู้ประหารพรามด้วยกันหน้าติเตียนพรามผู้จองเวนยิ่งกว่าพรามผู้ประหารก่อนการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อย บุคคลที่สามารถกลับใจได้จากความคิดเบียดเบียนย่อมได้รับความสงบพระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายข้อว่าการกีดการใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อยไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งความโกรธซึ่งเป็นอารมณ์ที่รักแห่งใจของผู้มักโกรธถือเอาความว่าอารมณ์อันเป็นที่รักในที่นี้ท่านหมายเอาความโกรธการกีดกันความโกรธเกลียดได้ คือไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยพระสารีบุตรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์สัทธ์วิหาริกและมนุษย์ผู้ปรารถนาบุญจนนบางครั้งทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นแก่พิสูจทั้งหลายคิดว่าท่านยังมีความโลภดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งพระสารีบุตรอยู่จำพรรษาในชนบทแห่งหนึ่งพร้อมด้วยพิสูจบริวารประมาณหอพวกมนุษย์เลื่อมใสในท่าน ได้เตรียมผ้าจำนำพรรษาไว้เป็นอันมากเมื่อออกพรรษาปวานานาแล้วรีบเดินทางไปเฝ้าพระศ า, าสดาโดยที่ยังไม่ได้รับผ้าจำนำพรรษาท่านสั่งพิสุทิ์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในอาวาสนั้นว่าถ้าทายกนำผ้าจำนำพรษามาถวายก็ขอให้รับไว้แล้วส่งไปหรือส่งข่าวไปจะให้พิสุทธมารับพิสุทิทั้งหลายสนทนากันว่าจนถึงเวลานี้พระสารีบุตรคงยังมีตัณหา และความโลภอยู่เป็นแน่แท้จึงได้สั่งพิสูจน์ทั้งหลายไว้ว่าเมื่อพวกมนุษย์ถวายผ้าจำนำพรรษาให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปแก่สัตธิวิหาริคของตนหรือเก็บไว้แล้วส่งข่าวไปพระาศาสดาทรงทราบเรื่องที่พิสูจน์ทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายสารีบุตรไม่มีตัณหาไม่มีความโลภแล้วเธอสั่งความไว้อย่างนั้นก็ด้วยคิดว่าพวกมนุษย์ผู้หวังบุญ จะไม่เสื่อมจากบุญและสัตวทวิหาริกของตนจะไม่เสื่อมจากลาบอันชอบทำซึ่งพวกตนควรจะได้ความโลภในลาบหามีแก่สารีบุตรไม่ภิกษุทั้งหลายปัญหาของผู้ใดไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีความหวังพระกิเลสได้แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามปรารดาการกระทาของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายมีกิเลส ผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกันการกระทำของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีเรื่องนี้รู้ได้ยากอีกคราวหนึ่งไปบิณทบาต ท, ที่เรือนแห่งมารดาในบ้านนาลกะมารดาของท่านนิ ม, มนต์ให้นั่งแล้วอังคาดด้วยคาทเนยโพชนยอาหารแกพระเถระพรางดาไปพรางว่า ท่านไม่ได้อาหารหรือน้ำข้าวที่เป็นเดนก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่หลังกระบ u o ในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์ตั้ง80ิโกรธออกบวชทำให้เราฉิบหายเสียแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิดนางได้ถวายอาหารแก่พิสูจนทั้งหลายที่มากับพระสารีบุตรและดาไปพรางว่าบุตรของเราออกบวชไปเป็นคนรับใช้ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายทาบุตรของเราให้เป็นคนรับใช้ของตนแล้ว บัดนี้จงบริโภคเถิดพระสารีบุตรเถระและพระราหุนรับอาหารเรียบร้อยแล้วกลับไปยังเวรุวันวิหารพระราหุนนำอาหารบินทบาทไปถวายพระาศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าวันนี้ไปบินทบาทที่ใดไปที่บ้านคุณยา่าพระเจ้าข่าย่าได้พูดอย่างไรกับสารีบุตรอุปชัยยะของเธอบ้างย่าด่าท่านอุปชายยะด้วยถ้อยคาที่รุนแรงมาก พระเจ้าข้าแล้วอุปชายยะของเธอพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรเลยพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงดุษณนีพิสุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีคุณน่าอาัศจรรย์แม้เมื่อมารดาด่าอยู่ด้วยถ้อยคารุนแรงก็ไม่โกรธไม่พูดอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลาย ความในความหมายของเราคือท่านผู้ไม่โกรธมีจิตดีมีศีลไม่มีตัณหาฝึกตนดีแล้วมีสรีระครั้งสุดท้ายสำหรับพระอัศชิเทระนั้นพระสารีบุตรเคารพนับถืออย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระอัศชิบรรลุโสดาปติผลแล้ว ต่อมาภายหลังแม้ได้รับยกย่องเป็นพระเถระผู้ใหญ่ระดับอ克拉สาวกแล้วก็ตามพระสารีบุตรก็ยังคงเคารพนับถือพระอสศชิในฐานะอาจารย์อยู่นั่นเองเคารพนับถือจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอสสชิอยู่ทางทิศใดก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้นแล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ทราบเรื่องนี้เห็นแต่เพียงอาการภายนอกก็พูดกันว่า พระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฐิจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไหว้ทิศอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าสารีบุตรที่สุดทั้งหลายพูดกันว่าเธอยังนิยมการนอบไหว้ทิศอยู่หรือพระสารีบุตรทูลว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศหรือไม่ พระตถาคตเจ้าจึงตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายสารีบุตรหานอกน้อมทิฏหม่แต่เธอนอบน้อมอาจารย์ของตนคือพระอสสิเถระพระสารีบุตรได้อาศัยอสสิฟังธทำจากอสสิเป็นครั้งแรกแล้วได้บรรลุโสดาปติพนพิสุทั้งหลายภิกษุอาศัยอาจารย์ใดแล้วได้รู้ธรรมเธอพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพอยู่เสมอเหมือนพราหมณ์ผู้มีปกติบูชาไฟ นอบน้อมต่อไฟฉะนั้นดูก่อนพระดาปฏิปทาของพระธรรมเสนาบดีที่ปฏิบัติต่อคนทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องกับตนในฐานะต่างๆนั้นน่าอาศัศจรรย์ น, น่าเลื่อมใสเป็นไปเพื่อคุณความดีแก่ท่านผู้เลื่อมใสแล้วดำเนินตามบุตรของนายช่างทองคนหนึ่ง ในเมืองสาวัตถีมีรูปนามบวชในสำนักของพระเถระพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอสุภากรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึงสามเดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกราคะก็ไม่ได้จึงกลับสู่สำนักของพระเถระอีก ปรัเปียนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่สองพิสุรูปนั้นก็ไม่อาจทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อนำกรรมฐานนั้นไปทาอยู่ชั่วระยะหนึ่งพิสุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่า ไม่ได้ผลพระสารีบุตรเถระคิดว่าพิสุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรมีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็พิสุนี้เป็นผู้ทำความเพียรไม่ใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิสุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนา เฉอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนําเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศ า, ศาสดาถูเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศ า, ศ, า ศ, าศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บําเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาสญานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของกวงสัตว์ดังนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมาหร้อยชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกัญญเกาเป็นต้นดังนั้นอสุภปฏิกูลกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้วตรัสกับพระสารบุตรว่าสาริบุตร เธอให้พิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึงสเดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหัตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเนรมิตดอกประทุมทองประมาณเท่าจักด้วยผลิตแล้วทรงทรรมให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบและก้านแล้วได้ประทานให้พิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุ จงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทายท้ายวิหารนั่งคัศมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตตะกังโลหิตตกั ง, กงสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระาศาสดาเท่านั้นใจกณเลื่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระาศาสดารับสั่งนิวรนทั้งหลายระ ง, งับไปในขณะนั้นเองอุปจาริฌานเกิดขึ้น ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจาระฌานนั้นถึงความเป็นผู้ชํานาญเกี่ยวกับฌานห้าอย่างคือชํานาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุทฌานที่ชํานาญแล้วอยู่พระา ศ, าศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่า เธอจักอาจเพิ่งยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกประทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากชานแล้วแลดูดอกประทุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทาไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ เมื่ออนุ ป, ปาทินากาสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินากาสังขารเมื่อท่านเห็นอ น, นิจจลักษณะแล้วทุกคลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สะแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากที่พิสุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกพิกษุนนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุตในน้าสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอันนี้จารัลักษณ์และถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุ ป, ปาทินากะสังขารอย่างนี้ทำไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินากะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่า บัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่พิสุนน้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเพ่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระาศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าสเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระาศาสดากาหนดอธัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าจงตัด หรือถอนความเยื่อยายของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวนในศาสตรการด้วยมือจงพ่อพูนทางแห่งความสงบครบพระนิพพา น, านพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุอรหัตตพุ ท่านพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน่าเกลียดสู้ผอมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นดูกระนางผู้สู้ผอมมีแต่สี่โครงท่านเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเ ป, นเปรตเข้าถึงทุคติเกิดในโยมโลกได้ทํากรรมอันชั่วไว้จึงไปจากมนุสยโลกสู่เปตโลกพระเถระถามว่า ท่านทำกรรมชั่วอะไรด้วยกายวาจาใจเล่าท่านไปจากมนุสยโลกนี้สู่เปตโตโลกเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรนาำเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นวิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้เป็นญาติผู้มีจิตเลื่อมใสพึงชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แกดิฉันเช่นนั้นมิได้มีเพราะไม่ได้ทากุศลกรรมมีทานเป็นต้น ดิฉันจึงเป็นเปรืเปลยกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอดห้าร้อยปีนี่เป็นผลแห่งบาปกรรมของดิฉันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แกล้วกล้ามีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลมาให้ดิฉันบ้าง ขอท่านจงเปลื้องดีฉันจากทุกขติด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรเถระผู้มิใจอนุเคราะห์รับคําของนางเปรตนั้นแล้วจึงถวายข้าวคําหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งและน้ําดื่มขันหนึ่งแก่พิสุรูปหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนบุญให้ข้าวน้ําและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีนี่เป็นผลแห่งทักษิณา ภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันสะอาดมีค่ามากยิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีมีวัฒฐาผอนผอันวิจิตงดงามเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตอีกตนหนึ่งว่าดูกะระนางเปรตผู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมมีตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครหรือ มายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนที่ฉันเป็นมารดาของท่านในชาติเหล่าอื่นที่ฉันเข้าถึงเปรตวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วย่อมกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะอันเขาถมทิ้งแล้วและกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่ที่เชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตร และโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือเทา้าและศีรษะที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของชายหญิงกินหนองและเลือดแห่งปะสุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงของผู้ตายซึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้าลูกเอ๋ยขอลูกจงให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้แม่บ้างฉันไหนหนอแม่จึงจะพ้นจากการกินหนองและเลือด ท่านพระสารีบุตรเถระผู้มีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านพระมหาโมคคลานเถระท่านพระอนุรุท ธ, ธะและท่านพระกัปินะแล้วให้สร้างกุฏิสี่หลังในทิศทั้งสแล้วถวายกุฏิเหล่านั้นข้าวและน้ำแก่สงอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้มารดาในทันใดนั้นเองข้าวน้ำและผ้าก็เบ่งเกิดเป็นวิบาก นี้เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งหม่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้งกาสีประดับด้วยวัตถาพรอันวิจิตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะเทระ